พระบัญญัติ270รก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปรวนถูกต้องกายกับมัตุคามคือจับมือจับช้องผมหรือลวบคลำอวิยะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระอุทายีจบ